สิกขาบทที่11ภิอษุนีไม่ขอโอกาสก่อนแล้วนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุตต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตี